เมื่อเราอย่างค้นไม่พบแสงสว่างมัวสอหานายช่างปลูกเรือนอยู่ได้ท่องเที่ยวไปในสังสรวัตกล่าวคือความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นนนเอชาติความเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปทุกชาติแน่นายช่างผู้ปลูกเรือนเหนย เรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะสร้างเรือนให้เราต่อไปอีกไม่ได้โครงเรือนของเจ้าเราหักเสียยับเยินหมดแล้วยอดเรือนเราคยี้เสียแล้วจิตของเราเข้าถึงธรรมชาติที่อารมณ์จะยุ่แย่ยั่วย้ายไม่ได้เสียแล้วมันได้รู้ถึงความหมดอยาก ทุกอย่างนี่เป็นคะถาที่พระชาได้ตรัสไว้ในใต้ต้นไม้โพในตอนนั้นหลังจากที่ได้รู้พระองค์ว่าได้ตรัสรู้ ส, รสัมมาสัมโพธิญาณหมดปัญหาสิ้นแล้วเป็นผู้ไม่มีตัณหาพระอาทิตย์ขึ้นมาอยู่ที่ขอบฟ้ามีแสงสีทอง ส่องมารู้ว่าตัวพระองค์เองหมดตัณหาแล้วจึงได้ตรัสคำเป็นคาถานี่เอาไว้อย่างที่ได้เล่าให้ฟังนี้ในวันนั้นพระพุทธเจ้าของเราก็นั่งสมาธิเหมือนอย่างที่เรานั่งอยู่บัดนี้เป็นผู้ฟังนี่คือรายการธรรมา ร, รับุลนะวันนี้เรามีนัดกัน นั่งสมาธิจำได้ไหมนั่งกู้ขาก็ามาโดยรอบอย่างที่พระชา้าเรานั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพในคืนวันก่อนการตรัสรู้ก็นั่งอยู่เอาหญ้าแปดก ร, ร ม, มากองๆไว้พอให้มันนุ่มๆซะหน่อยหนึ่งพอให้เป็นที่นั่งแล้วก็ นั่งในท่าที่มั่นคงไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์มีอะไรนั่งเก้าอี้หรือว่านอนเตียงแต่ว่านั่งธรรมดานี่แหละนั่งให้เหมือนมั่นคงคู่ขาก็ามาพอจะมั่นคงแล้วก็มีสติอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างที่เรามีนี่แหละเหมือนกันเลยอากาศที่ สมณโคดมในตอนนั้นนั่งอยู่หายใจเข้าหายใจออกก็เป็นอากาศที่เราหายใจเข้าหายใจออกเดียวกันนี้นั่นแหละสภาพแวดล้อมก็อยู่ในป่าอยู่ใต้โคนไม้อันเงียบสงัดเราอยู่ในเรือนว่างบ้างอยู่ในเสนาสนะอาจจะมีเสียงบ้างอะไรบ้างแต่ก็ในห้องนั้นไม่มีกิจกรรมอะไร เรานั่งสมาธิอยู่ก็เหมือนกันเป็นอากาศอันเดียวกันที่หายใจเข้าหายใจออกอยู่เป็นจิต ท, ที่มีสติเหมือนกันหายใจเข้าหายใจออกอยู่เข้าก็รู้ออกก็รู้พอมีสติรู้อยู่ในลมหายใจอย่างนี้ลองมาพิจารณาถึงตัวเราดู อย่างที่พระพุทเจ้าของเราตอนนั้นยังเป็นโพธิสัตว์อยู่นั่งอยู่ใต้โคนไม้โพธิ์พิจารณาถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตของพระองค์เองในชีวิตของการบำเพ็ญบารมีมาได้พิจารณาถึงความดีต่างๆที่ได้สั่งสมมาความดีที่ได้บำเพ็ญมาเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณ ให้สําเร็จบรกพี่สาใช้คําว่าบ่มปฎิยานนะท่านผูฟังเหมือนกับเวลาเราบ่มอะไรล่ะบ่มมะม่วงให้สุกอย่างนี้หรือบ่มกล้วยให้มันสุกอย่างนี้บ่มแก๊สก็มีบ่มธรรมชาติก็มีเขาลงไปในโอ่งหรือในภาชนะที่ปิดถ้าบ่มแก๊สมันก็เร็วหน่อยแต่รสชาติมันไม่ดีเท่ากับบ่มธรรมชาติคุณเอาไปใส่ไว้ให้มีความร้อนเกิดขึ้นบ้างอุ่นๆบ้าง พอเป็นอย่างนี้ใส่ให้มีความร้อนอุณหนุมิเกิดขึ้นบ้างถ้าเราไปเปิดดูอยู่บ่อยๆเดี๋วก็เปิดดูแล้วก็เปิดดูแล้วดดมันก็ไม่สุขสัทีนะูฟังเพราะฉะนั้นเราทําปฏิบัติไปเราคอยดูนิ่งๆเราพิจารณาถึงความดีของเราความดีต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องบ่มบ่มการตรัสรู้ของเราให้เกิดขึ้นได้เป็นบารมีที่เราสั่งสมเอาไว้ เดีเราระลึกถึงความดีของเราศีลเรามีไหมเราลึกถึงศีลของเราที่ความดีโอ้ยตอนนั้นเราจะพูดโกหกอืเราไม่พูดละ่ะตรงเนี้คือศีลของเธอนะเป็นการเว้นาการจักันแกล้งกล่าวเท็จให้ปิดต่อโลกอันนี้เป็นศีลลานุสติแล้วเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีคือศีลเราไปให้ทานบริจาคทรัพย์ไว้ที่ไหน งานกระถิญผ่านมาเราไปช่วยระลึกถึงคุณงามความดีที่เราได้บริจาคทรัพย์สละทรัพย์ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นวัดก็ได้เป็นคนเป็นลูกน้องเป็นคนดีๆเราบริจาคทรัพย์ให้ทานไปนี่คือจากานุสตินะท่านผู้ฟังเราระลึกถึงการให้การบริจาคของเราจากานุสติพระพุทาของเราคิดดูให้นั่งอยู่ในวังมีความระลึกว่า ถ้ามีใครจะมาขอดวงตาหัวใจเลือดเนื้อหรือส่วนไหนๆก็จะให้มีความคิดแค่นี้ตอนนั้นเป็นพระเวสสันดรภูเขาก็สั่นไหวภูเขาสุเนรุก็สั่นสะเทือนแผ่นดินสั่นไหวภูเขาสั่นสะเทือนด้วยจิตที่มีความคิดอย่างนี้มีคนมาขอของรักก็ให้ขอลูกขอเมียก็ให้ ขอช้างประชามราชบงก็ให้ให้นั้นไม่ใช่เพราะว่าไม่รักสิ่งเหล่านั้นให้นั้นไม่ใช่เพราะว่าเกลียดชังลูกเมียก็ไม่ได้เกลียดชังแต่สละของที่รักเพื่อสิ่งที่รักเป็นเรื่องบ่มโพธิญาณให้สุขเป็นเรื่องที่จะบำเพ็ญบารมีเราลองนึกถึงตัวของเราดูเราทำกุญงามความดี บ่มเป็นบารมีอะไรไว้บ้างต้องให้ชั่วขนาดไหนนะท่านผู้ฟังเอ้ยมันก็ยังมีความดีอยู่บ้างนะดูอย่างพระเทวทัตเอาท่านผู้ฟังมีสติอยู่ในลมหายใจไหมมีสติอยู่ในลมหายใจฟังไปนะดูอย่างพระเทวทัตนะทําความไม่ดีเกิดมาที่ไรก็เบียดเบียนโพธิสัตว์เบียดบิณฑ์โพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราไม่ว่าชาติไหนไม่ว่าจุดไหน ก็ไม่ได้ไล่หนีไม่ได้ทำร้ายไม่ได้ทำให้เขาขับแค้นเดือดร้อนใดๆแต่พยายามหาช่องที่จะช่วยนจนถึงวันสุดท้ายที่ตอนนั้นเทวทัตป่วยถูกเขานำมาด้วยเตียงน้อยๆพรรเจ้าพยากรว่าเทวทัตจะต้องไม่เจอเราไม่พบเราอีกต่อไปแล้วก็จะถูกธรณีสูบอยู่ที่หน้าวัดเชตวัน ที่พยากรณ์ตรงนี้เพราะว่าพระเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกับคนที่ตกหลู่ลงไปในบ่อส้วมบ่อคูดบ่อส้วมเนี่ยนะสมัยก่อนส้วมไม่ใช่ส้วมซึมอย่างนี้เป็นบ่อเขาเอาไม้พาดเอาสองอันแล้วก็อุจจระลงไปตรงระหว่างไม้แล้วก็เห็นอุจระข้างล่างเต็มไปหมดถ้าเราตกลงไปในบ่อนี้ไม้ไม่ดีไม้หักอย่างนี้เป็นต้น ตกลงไปถ้ายังมีอะไรส่วนใดของร่างกายที่พอจะดึงขึ้นมาได้บริษุทาบอกก็จะทำจะดึงขึ้นมาจากบ่อส่วมช่วยดึงขึ้นมาถึงแม้จะเหลือแค่เส้นผมเส้นเดียวโผล่ออกมาจากบ่อส่วมถ้ามันจะมีอุปกรณ์อะไรที่จะดึงเส้นผมนี้ออกมาโดยมันไม่หลุดจากหนังศีรษะแล้วเขาจะหลุดออกมาจากบ่อส่วมได้ก็จะทำยังจะช่วยกันดึงขณะนี้ แต่ในตอนนั้นความชั่วของพระเทวทัตเต็มที่แล้วจึงไม่สามารถช่วยได้จึงได้พยากรณ์สิ่งนั้นออกมาแต่ก่อนหน้านั้นตลอดตั้งแต่บวชเป็นพระก็ไม่ได้ไล่หนีตั้งแต่ตอนที่เป็นญาติก็ไม่ได้ไล่หนีในชาติก่อนๆที่มาเบียดเบียนโพธิสัตว์ต่างๆก็พยายามที่จะช่วยเหลือให้ข้อมูลไม่ได้ไล่หนีเราลองคิดดูเรามีโอกาสมาฟังธรรมะเกิดเป็นคน อย่างน้อยคุณยังมีวิทยุหรื อ, อยังมีหูไม่หูหนวกอะเรายังมีบุญยังมีบุญที่เหมือนกับความดีน้อยๆที่เราอาจจะยังมีอยู่บางคนมากนะไม่ใช่น้อยๆเราลองนึกถึงความดีของเราตรงเนี้ยเป็นการราลึกถึงความดีความงามที่เรามีอยู่อันนี้เป็นสตินะท่านฟังเป็นจากทะนุสติ เป็นเทวตานุสติอย่างเทวดาเนี่ยเราจะไปนึกถึงเทวดาตัวเป็นๆพระปริชาพูดถึงเทวตานุสติก็คือการระลึกถึงศีลระลึกถึงจาคะระลึกถึงศรัทธาระลึกถึงปัญญาว่าคนที่เ้าเป็นเทวดานะก็มีศีลศรัทธาจาคะปัญญาเขาจึงเป็นเทวดาได้ เราเองมีศีลไหมตื่นเช้ามาคุณไม่ได้ฆ่าสัตว์หรือเปล่าไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกลางไม่ได้แกล้งกล่าวเท็จตั้งแดคุณตื่นมาจนถึงเวลานี้คุณมีศีลแล้วเราพิจารณาดูถึงความดีความงามของเรามากบ้างน้อยบ้างมีทั้งนั้นแหละทุกคนนะแค่ว่าเราตื่นเช้ามาเราไม่ด่าใครไม่ว่าใคร สำรวมจิตใจอดทนเบื่อก็ยังฟังธรรมะรู้ว่าฟังแล้วดีก็ฟังไปฟังไปเราก็มีสติอยู่ในลมหายใจไปด้วยเราคอยปฏิบัติดูจิตของเราไปพระพุทธเจ้าของเราก็คอยดูดูก็ไปในจิตดูไปดูไปค้นหาอยู่ลอกกิเลสออกให้มันมีแสงสว่างเกิดขึ้นในใจ ให้ใจเป็นใจที่สบายระลึกรู้ลมหายใจผ่านไปผ่านไปเข้าออกก็รู้มีสติอยู่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตำแหน่งปริมุขขังคือทางเข้าออกของลมหายใจของเรานั่นิ่งเข้าก็รู้ออกก็รู้รู้อย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาพระพุทธเจ้าของเรานั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพ ก็รู้ลมหายใจอย่างนี้อย่างที่เรารู้นี้อากาศที่หายใจเข้าหายใจออกก็เป็นอากาศเดียวกันนี้อยู่ในโลกใบนี้จิตที่มีสติก็เป็นสติเดียวกันกับที่เรามีอยู่ในบัดนี้เป็นสัมมาสติระลึกถึงความดีความงามที่เคยทำมามากก็ตามน้อยก็ตามระลึกถึงลงมหายใจที่ผ่านเข้าออกอยู่อย่างเป็นธรรมชาติ ต่อเนื่องบ้างไม่ต่อเนื่องบ้างระลึกอยู่อย่างนี้มีศรัทธาตั้งมั่นแล้วตั้งมั่นแล้วอยู่อย่างนี้มีความเพียรที่ปรารบแล้วปรารบแล้วอยู่อย่างนี้มีสติที่รู้แล้วรู้แล้วอยู่อย่างนี้เราลองพิจารณาจิตของเราดูด้วย สติที่เรามีนี่แหละด้วยศรัทธาที่เรามีนี่แหละดูที่ว่าจิต ท, ที่มันมารู้ลมหายใจมันมารู้ลมหายใจได้อย่างไรมันมาจากไหนเรารู้ดูเข้าไปในจิตของเราอย่างพระุทเจ้าเที่ยวค้นหาแสงสว่างยังไม่พบค้นหาอยู่ว่าความไม่แก่ไม่ตายอยู่ที่ไหน คนหาความไม่แก่ไม่ตายอยู่ที่ไหนดูในวังตามหิ่งตามตู้ตามราชวังประสาทสาราะน้ำแมลงต่างที่เขาสร้างให้ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีความไม่แก่ไม่ตายอยู่ที่ไหนอันนี้ก็แตกได้อันนี้ก็พังได้อันนี้ก็เสื่อมได้ไม่เอาออกจากวังไปไปหาสิ่งที่ไม่แก่ไม่ตายสิ่งที่จะพ้นจากความแก่ความตาย ไปหาตามแม่น้ำลำทานภูเขาท้องฟ้าทะเลต้นไม้ใบหญ้าไม่มีอันนี้ก็แตกอันนี้ก็พังได้ทำลายได้เที่ยวแสวงหาอยู่สิ่งที่ไม่แก่ไม่ตายก็บอกว่าสิ่งที่ไม่แก่ไม่ตายอยู่ในการประพฤติปฏิบัติก็ลองทำดูไม่นุ่งเสื้อผ้ามันจะแก่ไหมมันจะตายไหมมันก็ยังแก่อยังตาย กินอาหารน้อยนิดเดียวที่ว่าจะบริสุทธิ์ได้ก็ยังมีความเสื่อมไปดับไปในจิต้ตองค้นหาไปค้นหาไปมาค้นหาในใจของตัวเองมีไหมความไม่แก่ไม่ตายมันอยู่ที่ไหนค้นไปค้นไปในสมาธิมีไหมในศีลมีไหมศีลที่เรามีเรารักษา มันเสื่อมไปได้ไหมมันเสื่อมไปได้มันดับไปได้ไหมมันดับไปได้ราคาการให้การบริจาคสิ่งข้าวของที่เราทำไปมันก็เสื่อมไปได้ดับไปได้ยังมีความแก่ความตายอยู่เราไปหาสิ่งที่ไม่มีความแก่ไม่มีความตายหาดูเข้าไปในจิตของเราดูดีๆ จิตของเธอที่มารู้ลมหายใจอยู่นี้มันเสื่อมไปได้ไหมมันเปลี่ยนแปลงไหมเราจะพบว่าจิตนี่แหละที่เดี๋ยวมันก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันก็เป็นอย่างอื่นเดี๋ยวไปรู้ลมหายใจบ้างเดี๋ยวไปรู้ความคิดบ้างเดี๋ยวไปชอบบ้างเดี๋ยวไปโกรธบ้างเดี๋ยวไป มีความคิดนึกต่างๆนานามีอารมณ์ต่างๆนาน า, น า, นาก็จิตนี้นั่นแหละที่เข้าไปรู้ดูสิ่งนั้นอยู่เป็นตัวพลิกผันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเป็นอย่างอื่นเราให้จิตที่มันดีดดิ้นแส่สายนี่แหละมาอยู่กับลมหายใจของเราให้อยู่นิ่งๆอยู่ในจิตของเราเข้าก็รู้ออกก็รู้ เราผู้ที่มารู้จิตยอย่างนี้จ้าวเป็นผู้ที่เห็นจิตในจิตยอยู่เป็นประจำเพราะในขณะที่เรามารู้ดูลมหายใจของเรานี้ใครล่ะที่เข้ามารู้ดูลมหายใจของเราลมหายใจกับผู้รู้ลมหายใจเป็นคนละคนกันนะอย่างกล้องกับรูปภาพที่ถ่ายรูปเนี่ยรูปที่มันปรากฏอยู่กล้องก็เป็นคนละอันกับรูป แต่ว่ารูปนั้นออกมาจากกล้องนั่นเองจิตก็เป็นคนละอันกับลมหายใจแต่จิตนี่แหละเป็นผู้ที่เข้าไปรู้ลมหายใจเรารู้ดูจิตอยู่อย่างนี้เพราะว่าจิตคือลมหายใจจิตที่เข้าไปรู้ลมหายใจแต่เรามีสติอยู่ในลมหายใจก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นจิตเราจะฝึกจิตของเราได้อย่างถ้าเราจะฝึกมา้าฝึกช้าง ต้องจับเข้ามาก่อนจะให้เขาอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งแล้วถึงจะค่อยบอกสอนฝึกมันได้ให้ลุกให้นั่งให้ยืนให้เดินให้รับคำสั่งต่างๆทำท่าทางตามคำสั่งต่างๆก็ต้องจับเข้าหมายได้ซะก่อนในตอนนี้เราต้องเอาจิตของเรามาจับจิตให้ได้ซะก่อนจิตไม่ได้เป็นก้อนๆที่เราจะไปจับมาได้เหมือนอากาศอย่างนี้มันไปจับมันไม่ได้ ใส่ถุงพลาสติกเอาไว้แต่คุณจะจับด้วยมือมันไม่ได้มันหลุดออกไปเหมือนกันจิตของเราต้องมีวิธีจับคือเอาล ม, มาหายใจนี่แหละเป็นเครื่องล่อเอาร ม, มาหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไม่ต้องแต่งให้สั้นหรือให้ยาวเอาล ม, มาหายใจที่เป็นธรรมชาติตามที่ร่างกายของเราต้องการอยู่อย่างนี้ ให้ hey, จิตของเรามาอยู่ที่นี่เขาก็รู้ก็รู้รู้ดูลมหายใจอยู่อย่างนี้จิตของเราชื่อไปอยู่ที่นี่แล้วพอจิตของเรามาอยู่ที่นี่แน่วแน่นิ่งอยู่กลมหายใจเหมือนโพธิสัตว์สมณะโคดมนั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพ ร, รู้ดูลมหายใจอยู่ พิจารณาถึงความดีของตัวเองพิจารณาถึงเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วดูว่าทำความดีใดๆมาบ้างดูไปในอดีตที่ผ่านมาสิ่งใดๆเกิดขึ้นชาติก่อนพบก่อนมีความเป็นอยู่อย่างไรมีชีวิตอย่างไรทําเรื่องบ่มโพธิญาณมาอย่างไร ล, ลองมาดูพิจารณาถึงความดีที่เราทำมา เป็นความดีที่เราสร้างสมในพบปัจจุบันนี่แหละการให้ปันการรักษาศีลการทาความเพียนการแบ่งการปันการบริจาค ก, การทำตามหน้าที่หรือแม้แค่ขึ้นรถเมล์ลุกให้คนอื่นนั่งนี่ก็เป็นบุญแล้วเราจะทำสิ่งไม่ดีเฮอเราไม่ทาอันนี้ก็เป็นบุญแล้วเราจะด่าว่าคนอื่นเราก็อดทนได้ อันนี้ก็เป็นบุญแล้วเราจะโกงเราจะเบียดเบียนเขาเราไม่คิดว่าเราไม่ควรทำเลยอันนี้ก็เป็นบุญแล้วบุญเกิดขึ้นทุกขณะจิตตันฑ์ฝังบุญเกิดขึ้นตลอดเวลาเอาคือว่าเราดูทีวีเราดูข่าวเราสงสารคนนี้อยากให้เขาพ้นทุกข์อันนั้นก็เป็นบุญแล้วคือความกรุณาแล้วเราเห็นคนนี้เห็นเด็กน้อยมีจิตเมตตา น, นี่ก็เป็นบุญแล้วเป็นความเมตตาแล้วเราเห็นคนที่เขามีความทุกข์เราอยากให้เขาพ้นทุกข์หรือเห็นคนที่มีความสุขประสบความสำเร็จเราก็ ย, ยินดีกับเขานั่นก็เป็นมุทิตาแล้วเป็นบุญแล้วบุญเกิดขึ้นในจิตของเราง่ายๆแค่นี้เองเรามีสติดูอยู่ไม่ให้จิตของเราไหลไปตามสิ่งที่มากระทบ ไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลมันอาจจะ ก, กระทบอยู่แต่อย้าให้มันเข้ามากลุ่มรุมจิตของเธอตั้งอยู่ได้เหมือนภูเขาหินนะโมบานพูดถึงภูเขาหินจำได้ไหมเวลาภูเขาหินถูกฝนตกใส่ถูกลมพัดพามาถูกพายุพัดเข้าใส่ไม่ใช่ว่ามันไม่โดนกระทบมันโดนแน่นอนเวลาถูกเขาด่าทาไมเราจะไม่ได้ยิน ได้ยินเต็มสองรูหูเลยรู้ด้วยว่าเขาด่าด่าด้วยคำไม่จริงด้วยด่าผิดเวลาด้วยคำหยาบคายร้ายกาจไม่รู้ขุดมาจากไหนมันคิดได้ยังไงมาด่าถูกด่าขนาดนี้เหมือนลมฝนกระทบภูเขาหินภูเขาหินไม่เสะเทือนท่านผู้ฟังเรามีสติอยู่อะไรมาเคาะหน้าประตูเรา อะไรมาเคาะที่หูเราเคาะแรงๆด้วยจะให้เราเปิดเราไม่เปิดเราไม่ไหลไปตามเรารู้อยู่ได้ยินอยู่ทราบอยู่เห็นอยู่็ทําทำไม่ดีเห็นอยู่ตาตาเลยเต็มสองรูตานี่แต่เราไม่ไหลไปตามไม่ให้มันเข้ามาได้ยินอยู่รู้อยู่แต่ไม่ ให้มาตั้งอยู่ในจิตของเราไม่ให้มากลุ่มรุมไม่ให้มาครอบงำจิตของเราอย่างเขาทำไม่ดีกนอื่นทำไมด่ดีตัวเราไม่ได้ทำด้วยซ้านะกูอด่นทำไมด่ดีเราเก็บมาคิดทำไมกันทาไมด่ดีทำไมมันทำชั่วเอามาด่ากันดิแสดงว่าความชั่วนั้นเข้ามากลุ่มรุมจิตของเธอตั้งอยู่แล้วเธอรู้ไหมเขาทาไม่ดีออกทีวีด่ากันออกทีวีเราก็มาด่านินทารับหลังเขาอีก ความชั่วที่เข้ามาทางตาเข้ามาทางหูเข้ามากุ่มรุมจิตครอบงำจิตของเธอแล้วแต่ถ้าเรารู้เฉยเฉยรู้อยู่ต่อให้เขาด่าเราด้วยก็ได้แต่ถ้าเรามีสติปิดกั้นอินทรีย์ของเราไวมีสติปิดกัน้นหูปิดกันดก้นตาจ ม, มูกลิ้นระวังนะลิ้นน่ะรสอาหารเป็นยังไงอาหารชอบชอบผ่านมาเป็นยังไง อย่าให้มันครอบงำจิตของเราได้อย่าให้มันมากลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ในจิตของเราได้มันอาจจะกลุ่มรุมเข้ามาอยู่มันจะกระทุ่งประตูเข้ามาได้เกือบเกือบเข้ามาแล้วเราก็พยายามผลักเข้าออกไปไม่ให้มันมาตั้งอยู่ในจิตของเราไม่ให้มาครอบงำอยู่ในจิตของเราฝนก็ดีพายุที่พัดผ่านมาก็ดีไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปในเนื้อหิน ของภูเขาหินทั้งแท่งได้เพราะความที่เนื้อมันแน่นมันเป็นภูเขาหินทั้งแท่งไม่มีรอยต่อตั้งตระงานอยู่นั่นเองจิตของเราโดนสิ่งมากระทบเรารู้สึกรับรู้ได้ยินเห็นสัมผัสแน่นอนแต่เราไม่ให้มันเข้ามากลุ่มรุมในจิตไม่ให้มันเข้ามาตั้งอยู่ในจิตไม่ให้มันมาครอบงําจิตของเรา ผ่านมาก็ผ่านไปเดี๋ยวพระอาทิตย์มันก็ขึ้นมามันก็แห้งไปฝนอาจจะตกนานบ้างพายุอาจจะพัดแรงบ้างนานบ้างมันก็ธรรมดาเรายอยู่ในสังสารวัตรมีการกระทบกระทั่งกันคนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นไม่ได้ใครอื่นไกลหรอกเอาคนใกล้ตัวนี่แหละผัวพูดอย่างนี้เมียพูดอย่างนี้พ่อพูดอย่างนี้ลูกพูดอย่างนี้หลานนะ้าอาปู่ย่าเพื่อนฝูงคนใกล้ตัว พูดอย่างนั้นอย่างนี้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละเรามีสติที่จะปิดกั้นอินทรีย์ของเราไหมสตินี้มาจากไหนไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลท่านผู้ฟังอยู่ปลายจมูกของเราเนี่เองทางออกไม่ได้อยู่ไกลาทางออกอยู่ที่นี่อยู่ใกล้ๆตานี่ยบางทีมันมองข้ามไปอยู่ที่ปลายจมูกเข้าไปอีกหน่อยเรามีสติอยู่ที่นี่รู้ดูลมหายใจของเราอยู่ เขาก็รู้ออกก็รู้สติตรงนี้แหละจะเป็นสติที่คอยปิดกั้นอินทรีย์ของเต๋อไว้เป็นสติที่จะคอยปิดกั้นอินทรีย์ของท่านผู้ฝังไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลคนหนึ่งก็ทําอ่ะเขาได้บาปแต่เราอย่าอนุญาตให้บาปกรรมที่เขาทํามาแทรกซึมฝังแน่นตั้งอยู่ในจิตของเราเราเห็นอยู่เรารู้อยู่แต่อย่าให้มันเข้ามา เราทราบอยู่เราเห็นอยู่แต่อย่าให้มันมากลุ่มรุมจิตเรารู้อยู่เราเป็นสักขีพยานได้แต่อย่าให้มาตั้งอยู่กลุ่มรุมครอบงาจิตของเราโดยเราต้องมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างพระพุทธเจ้าของเราในตำนานก็บอกมีมารที่จะมาคอยกวนคอยทำไม่ดีไม่ร้ายคอยกลุ่มรุม คอยที่จะเอาความไม่ดีต่า ง, างๆมาครอบงำพระองค์ในขณะที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพนั้นแต่ด้วยความที่มีสติตั้งมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะบรรลุสัมมาสัมพชัญญะได้ทำบาเพ็ญบารมีไว้เพื่อที่จะบรรลุโพธิญาณอันสูงสุดได้ระลึกถึงบุญกุศลเหล่านั้นเหมือนอย่างที่เราระลึกถึงบุญกุศลของเราก็ตาม ได้มีสติอยู่ในลมหายใจก็เป็นอากาศอันเดียวกันกันกบที่เราหายใจอยู่นี้ประลึกถึงบุญกุศลเหล่านี้มีสติตั้งมั่นอยู่ก็จะค้นพบแสงสว่างเมื่อค้นพบแสงสว่างในจิตก็เป็นเวลาเดียวกันกันกบที่แสงสว่างของดวงอาทิตย์กําลังปรากฏขึ้นอยู่ที่ขอบฟ้าเป็นแสงสว่างที่ บอกถึงชัยชนะต่อกิเลสและตัณหาทั้งหลายได้เรามามีสติรู้อยู่ในจิตของเราเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณเป็นเครื่องบ่มความตรัสรู้เราทำไปทีละเล็กละน้อยเหมือนน้ำฝนที่ค่อยหยดลงหยดลงจะทำบ่อน้ำทำน้าในแม่น้าให้เต็มขึ้นมาได้เรากาลังบ่มโพธิญาณ บ่มการตรัสรู้ให้เกิดขึ้นต้องใช้เวลาค่อยๆทําไปอย่ามีความท้อแท้ท้อถอยมีสิ่งใดมากระทบบ้างก็ให้รู้ดูอยู่เฉยมีสติอยู่อย่างต่อเนื่องในวันนี้เตรียมพร้อมในการที่จะสู้ฟาดฟันกับสิ่งที่จะเป็นอกุศลที่จะเข้ามาในจิตให้เราเป็นผู้ที่มีสติอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่ในลมหายใจของเรา ลืมตาขึ้นไปทำงานทำการก็มีความรู้ไม่ไหลไปตามไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลมาตั้งอยู่ในจิตมาครอบงำจิตมากลุ่มรุมจิตปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นไปด้วยสติด้วยความดีที่เราระลึกได้นี่เองในรายการธรรมาระพุนในวันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติให้ท่านผู้ฟังได้ลองฟังลองทาในจิตของตัวเองในวันนี้ข้าพเจ้าพระภัยบูลอภิปุโน จากวัดป่าดอนไฮโศกก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จเจริญพร